ในมงคลสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออเซวนาจะบาลานังปันตานันจะเซวนาแปลความก็ว่า การม่คบคนพานพันธันดาญยาบหนี่ยการครบบัณฑิตนี่ย ผ, ผู้ผู้ชอบด้วยกายวาจาใจเนี่เอตัมมังคารมุตตัมังท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเห็ไม่คบคนพานพันธันดาญยาบนอกๆไปนน้นนั่นก็ถูก ในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตร <c oughs> เกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยท่านสอนในแง่หนึ่งแต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสมัครตนเองเลยลืมคิดถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเรา เป็นแต่เพียงว่ามาไปคบคนผ่านภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราครบคนคนผ่านภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่ครบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั่งถึงบัดนี้คนผ่านภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่เป็นผ่านคอยจิตกันคอยฉุดลาก คือกีดกันีนในทางที่ดีของเราไมา่ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั่นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุ่แย่ให้ล่มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่า่านภายในคำว่า พานัททางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่างเรียกว่าพานจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทาคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติ ให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมนี่พานนิหมายถึงพานภายในตัวของเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาแล้วเราเคยควบค้าสมาคมกับพานตัว น, นี้มานานแสนานานจนกระทั่งบัดนี้ เราก็ยังมีความสนิทกับพานของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีพานเราครบกับคนพานคือความคิดการกระทํำของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าพานภายนในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลาง ส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสังสมทุกข์ขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกวัดผ่านนี่เราก็ตีขแขนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้ครบ ความคิดชนนี้ให้เห็นว่าความคิดเชนนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับพานภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบเมื่อคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในพานภายนอกก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นพานภายในก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นกีดการความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัย ในขณะที่คิด ท, ที่ทําที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครบคลุมผ่านชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายต่อคนทานทั้งภายนอกภายในให้ครบบรัณฑิตนับนาฏหมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราครบกับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้อุบาทสัส่งสอนนุ้นให้อุบาต่างๆจะเป็นยอดเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบกตู้พรไกลปิดกมาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสาคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพติตัวเป็น สิ่งที่ชักยุงให้คนอื่นได้รับความตกความสบายเป็นความถูกต้องนงามไปด้วยมีตนเป็นสําคัญเป็นผู้ให้อุบายนี่ทางเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้แก่อุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อกุญงามความดีจากตนนับแต่พื้นแ่งกุญงามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนเล็ ออกจากจิตใจของตนเป็นลําดับลําับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑินตนักปราชญ์เป็นชั้นๆไปจนกระทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงนิมมุติเรียกว่าจอมปราศที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราศ ได้เก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระรหันตสิ้นจิเลสอาสวะโดยประทานทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังไม่ครบคนทานทั้งคนผ่านภาย น, น, นอกทั้งคนผ่านภายในปณิตานันจะเสวนาใครบบัณฑิตนกักปราชุดูเฉลียวฉลาดทั้งภาย น, นอกและภายใน พยายามปรับตัวให้มีความเฉียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสึบต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑินนักปาชให้ครบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกําลังมากขึ้นโดยลําดับตำหดักเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านเรียกว่าเป็นมงกลมอันสูงสุด น, นั่นอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมนานันจะรัตสนงังเอตัมมังคารมุตตัมมัง การเห็ MM. นสมณะผู้สงบการวาจาใจเรียกก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันคำว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มีสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบันสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคามีสมณะที่สามได้แก่พระอนาคามีสมณะที่สี ais, ่ได้แก่พระอรหันต์การเห็นสมณะเหล่านี้ทื่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุด เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกและพยายามทำให้แจ้งซึ่งมากผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่กสโสดาสกิธาอาณาคารหัตตผลขึ้นภายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่ง มรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุดนในมงคลเทปาีที่ในมงคลลสัสูตที่ท่านแสดงว่านี่มีกระทําสําคัญสาคั ญ, คญท้งนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในกเกี่ยวกันเนี่ยทิศเทวดาทั้งหลายเกิด มีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้จรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกว่าเป็นผู้สามารถขี้แกล้งอัรทำหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ค้องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตาม มงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบื้องต้นแต่เวลาท่านสูตรมวลท่านยกเอาเพียงว่าอเสวนาจะบาลานังเรื่อยมาเลยทํามประกาวถึงบุคเทวดาทั้งหลายมาจากนู้นจากนี้มากมาย ก, กายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื่อเนื้อคือมงคลสูตรสามสิบแปดประการนี้มาแสดง มงคลสามแปดประการนี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลาย้วยตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับจริตนิสัยของเราให้มีพื้นพานในจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่คบคนทผ่าน นี่คืบันดุนาการเห็นสมณะนี่มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายในจิตใจคำว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันรพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันอรหันท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง แต่ทําไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาให้ได้สําเร็จมากผลนิพพานจํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาลองที่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศพระพุเทธเจ้าได้สําเร็จมากผลนิพพานเป็นโกรธคาว่าโกรธจะหมายถึงเท่าไหรมาา่ทราบเป็นแสนแสนเป็นโกรธไป แม้ไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนังเทศจงกระทั่งพร์ปริยผ่านทางในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทวปัญหากลา ง, งตั้งแต่หกทุ่มร่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนำสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือบั เทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรมธรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวตรเทวดาชั้นต่างๆประจักษ์ด้วยพยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนึมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหา โลกแตกทุกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักสุญาณของพระองค์กับเราที่มาดนดาวหรือคาดกนเนได้ ล, ลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเรายึงเป็นที่น่าสรุปสังเวศอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาเดียวคนตาบอดระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตาม พระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทรมยยมยักษตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจำกัดขอบเขตมากมายแก่ความพุทธภรจริงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์แก่โลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเทบุตรเทวดาอินทรมอะไรต่ออะไร แม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นั่นแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทำนําภาระนั่นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพานไม่มีภาระใดที่จะหนักมากกิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่ปเป็นไปด้วยอานาจ วิสัยของของศาสด า, าทำไปะด้ตลอดทั่วถึงสำหรับพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคุกครามให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายขี่รถเยี่ยรถบันยังขำคืนยังลุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนาก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่สถานที่นั่งภาวนา นอนทอน้ำมันก็ขี่รถเยอะยรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นส่วมเป็นฐานของกิเลสตันหาทุกเอียบทด้วยความไม่มีสติพิจนาดูสิมันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารนานะถ้าหากว่าเราจะนํามาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นกติเครื่องข้าสอนตัวเรีให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสําคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทําไมสามารถ สั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ถึงสามโลกฐานไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราและแก้กิเลสตัญหาอาสะวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทําไมจะไม่ได้แล้วทําไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัญหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี้ลดเยี่ยวลดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดือนเนินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายเป็น ขี้กับเยี่ยวของกิเลสค้าเท้าเต็มตัวมีอย่างเหลือมันโศกโกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสวะแล้วมันทำไมมันขี่ลดเยี่ยวรดเราตลอดเวลาเราไม่มีความขยะแขยงต่อมันบ้างเหรือเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอด ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสะวะมันขี่รถเห ย, ยว่อรถนั่งใฮะมันขี่รถเหยืรถตลอดมาในยาบททั้งสี่ยังจะเป็นส่วมเป็นฐานมันอยู่เหลือต่อไปนี้ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสําคัญที่เราจะนาํามาใช้สำหรับตัวเราเองกิเลสมันมีอานาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหัตละหันหรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่ข้งพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทำไมปราบมันได้ เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ที่ลดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันขี่รดเยียวลดเราถ่ายเดียวทำาไมเราจะทำไม่ได้คลิปมันถ้ามันเป็นส้วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเลยเอ่าพยายามนี่แต่พวกส้วมพวกห้องน้าห้องถ่าของ ม, มันมองไปไหนมีทห้องน้ํห้องถ่ายห้องส้วมห้องกิเลสมันก็น่าจะล ด, ดสงเร็เหมือนกันนะเอาฟิตตัวให้ดี แกมันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยคือมันแก้นอกว่ากิเลสมันเป็นเราถ้าถือกิเลสเป็นกิเลสถือกิเลสเป็นไทยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้ฮาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเองแต่พูดเรื่องการแก้ พอมันมีอะไรที่จะแก้ยากยิ่งกว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นนมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทำไมจะไม่อยากได้ทำไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพ่อของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพ่อของความโกรธมันมีที่ไหน เมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ําท้องฟ้ามหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันมันกิงแก้ยากเพราะมันกว้างต่อกว้างเป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาฆ่าที่ตรงนี้มาตัดหน้ากแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้ว อาบมณ์ความโกรธความหลงกิ่งก้านสาขามันแตกกิงแต่ก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมาเยเช่นไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโ ต, ตไปได้สนุกแตกกิ่งแตกก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดสําคัญสาคัญของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะ ม, มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากม า, กายกว่กองงนะักถ้าค่อยอับเฉาหรือค่อยๆ ยุบย่อตายลงไปโดยลําดับๆจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอํานาจของมหาสติมหาปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียมนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้งสามประเภทอันใดโตนี้ให้หมดไปจากใจคําว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับๆจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดตั้จักกลับใจเป็นสันติธีโก รู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะปัจจตังเบริตบโบวินยูหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลางนี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับกิเลสอาสวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตัง มาแล้วพอสมควรได้รับาการอบรมจากอา จ, จากย์ทำได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยบางครั้งาจากครูจากอาตาาจารย์พอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับปัญมายาของเด็อดซึ่งร้อยเล่พันเหลี่ยวร้อยสันพันคงที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลําดับลําดับ กิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีเปื่อยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอาการวิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่อะ ท่นเรียกว่าความสุขของปราดพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันหันทั้งหลายท่านก็ทรงค้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาไม่เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใจหมดป่าช้า ต้องมาวกเวย็นให้กายเกิดกันอยู่มาหยุดมาถอยนะขมืดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ทีเรียกว่าวัฏฏะวนไปวนมาตัดกรงจากวัฏฏะวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันร้นทนนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สนกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดอันใดก็ปล่อยไนหมดนี่นายทบทที่กล่าวว่า สมนานันจะรับฉนังก็เข้าในจิตดวงนี้แล้วนิ้อบาลนัสจิกิริยาเอตัมมังคารมุตตะมังก็เช่นเดียวกันทำพันิพาลให้แจ้งคือเวลานี้พันิพาลถูกปิดบังด้วยกิเลสประเพียดดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสง่าผ่าเผยขึ้นภารจิตใจแมน้นิดหนึ่งเลยท้าทิศแม้จะถูกเมฆปิดบงังแสงสว่าง ส่งมาไม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศ ป, ปลอดโปร่งในเหตุ จ, จามจิตใจของเราที่ถูกที่เรียกพุ่มพ่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลยเมือม่อนิสปิดตาฉนั้นนั่นแหะทา่านบอกให้ทําพันิพานให้แจ้งพันิพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไร ทีพระนิพพานยังแจ้งมาได้เพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ซึ่เกี่ยวเหมือนก้อนเม็ดปิดบงังพระอาทิตย์เมื่อนชำระลงด้วยความเพียรทั้งเรามีสติปัญญาเป็นผูบุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งทําพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจักษ์นี่ก็เอตัมมังคามุตตัมมัง เป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระรหัสและการธรรมนิพนธ์ให้แจ้งคือถึงความบริสุทธิ์แห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุด ทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่เราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นน่ะสอนโลกอย่างเป้าๆเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงโอวาทเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่ที่หัวใจเรานี้นนำโอวาทนั่นแะเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือ แก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้นๆนแล้วธรรมะของบุรุเจ้าแม่ต่างๆเป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถน น, นทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคำสอนบุรุเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารบหลักใหญ่แล้วปีกย่อคารบไปหมดพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้ว ลัใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความบริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางเขาลอบไปหมดดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันในห้องนอนใดที่ถูกนิมนต์ไปพักอย่างนี้ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนั้งขึ้นสูงกว่าทิะท่านเสมอท่านถึงยอมนอน นี่ธรรมพุทเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพุทธเจ้าทางนั้นเราจะแยบยํลทาลายได้อย่างไรท่านว่าเอาทําให้อยู่ต่ำกว่าเราได้อย่างไรนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างเช่นท่านมาภาควาสารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมให้ขนหนังสือขึ้นสูงให้หมดเลยนั่นเลยนี่ลงเคารโลบถึงใจทุกอย่าง พอทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเกี่ยกวกัสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูป ก, ก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านสันมันในสมัยปัจจุบันนี้เห็นไปจักด้วยตาความเคารพในอัตนาธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจาญนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้น พอท่านได้มาโอ้โหนี่ยะพระกระจายยนะันนาเป็นพาคสาวกของพระพุทธเจ้านีา่ท่านรีบเทยานออกแล้วเอายะาพระกระชายยนะันั้นเน็บไว้บนที่นอนท่านท่านกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่มีความหมายแค่ไหนพระกระจายยนะันนาจะมาทํำเล่นๆนี้ได้หรือฟังนี่หนละเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็น ควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่ไเล่นเหมือนต้องปุุชนคนหนาเหยียบนุนเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพ่อไม่รู้ก็ลูกๆคำคำงูปลาปลาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบอืสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทํานักป่าท่านเป็นอย่างนั้นอา้อาวไอ้แล้วนีน โอ้เอาละหิบเวั